ในสีหน้าที่แสดงอาการวิตกกังวลเหลือที่จะกล่าวแววตาคู่นั้นฉายแสงปิติขึ้นเล็กน้อยเมื่อเห็นเขารู้สึกตัวลุกขึ้นนั่งแล้วเสียงแหบเพือของหล่อนก็ดังทำลายความเงียบงันขึ้นเป็นประโยคแรกว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างคงไม่เป็นไรหรอกครับคุณหญิงล่ะผ่านใหญ่ย้อนถามออกมาจากลำคอแห้งผาจ้องหน้าหลอนอีกครั้งและกวาดสายตาไปรอบๆฉันก็ไม่เป็นอะไรมากนะัก แล้วคุณชายคุณชายานเกิดกับแง่ า, ายหล่อนทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ยักไหลแล้วทิ้งแขนทั้งสองลงข้างตัวอย่างหมดแรงจอมพรานเม้มริมฝี ป, ปากเป็นเส้นตรงกล่าวตำตำเหมือนกระซิบนี่แปลว่าพวกเราถูกน้ำปาดแทกซัดกระจัดกระจายแยกจากกันไปหมดคนละทิศละทางทีเดียวเป็นความผิดของผมเองที่ตั้งแคมป์ในเขตทาน้า นึกไม่ถึงว่าฝนมันจะตกหนักแล้วทำนบแอ่งน้ำใหญ่บนภูเขาลูกใหญ่ต้นทานมันจะพังลงอย่างกระทันหันน้ำมันมาเร็วจนเราหนีกันไม่ทันผมเองหมดความรู้สึกไปในทันทีที่ภูเขาน้ำลูกนั้นซัดโครมลงมาถึงตัวฉันก็เหมือนกันความรู้สึกมันดับวูบไปเลยหล่อนคลางแล้วคุณหญิงรู้สึกตัวตอนไหนไปยังไงมายังไงกันนี่ฉันบอกไม่ถูกหล่อนพูดอย่างงงงอยู่ในอาการเดิม กัดลิมนวิปากโดยแรงเขาหน้ากราดไปด้วยรอยทุกข์กังวลเหลือที่จะกล่าวฉันมารู้สึกตัวเมื่อประมาณ20นาทีที่แล้วมานี่เองพบตัวเองนอนติดอยู่กับรากไทรใหญ่คนเดียวเมารไม่เห็นใครเลยครั้งแรกที่รู้สึกตัวฉันตกใจแทบจะเป็นบ้าตายคิดว่าตัวเองคงจะพัดหลงอยู่คนเดียวในป่าฉันกู่ตะโกนเรียกจนเสียงแห้งก็ไม่ได้ยินเสียงตอบใครยิงปืนเรียกอีกสองชุด ก็ไม่ได้ยินเสียงปืนของพวกเราคนใดตอบมาเลยแสดงว่าในระแวกรัศมีเสียงปืนนี้จะต้องไม่มีพวกเราอยู่เลยในที่สุดฉันก็เดินเปรตป่าส่งเดชมาตามบุญตามกรรมอย่างนั้นเองดาลินกลืดน้ำลายลงคออย่างฝืดๆมองดูเขาด้วยสายตาอันบอกไม่ถูกเดชบุญเหรือเกินฉันเดินมาพบคุณนอนสลบอยู่ตรงนี้เข้าพอดีเข้ามาตรวจ ด, ดูคุณเห็นไม่เป็นอันตรายอะไรมากนะักก็เลยปลุกเรียกขึ้น ฉันเรียกคุณอยู่สักสองสานาทีเห็นจะได้คุณก็รู้สึกตัวขึ้นนิดแหละเหตุการณ์มันเหมือนฝันร้ายและผพินคงนั่งอึ้งตะลึงอยู่เช่นนั้นเป็นครู่ใหญ่ความวิตกกังวลของเขาในขณะนี้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหลอนเลยอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับความเป็นห่วงผู้ร่วมคณะอีกสี่คนซึ่งไม่มีสิ่งใดบอกได้ว่าป่านนี้เป็นตายร้ายดีอยู่ที่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชืากับชายยันอันเป็นนายจ้างโดยตรง การพลัดพรากหรือหลงกันในป่าเป็นเรื่องเล็กเหลือเกินสำหรับเขาในการที่จะติดตามหาให้พบสิ่งที่เขาวิตกกังวลขีดสุดในขณะนี้อยู่ในข้อที่ว่ากระแสน้ำอันแรงกล้าที่ซัดประทะลงมาอย่างจู่โจมกระทันหันน่าจะก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตของบุคคลทั้งสองได้ในพริบตาหรือไม่ก็พิการซึ่งไม่มีทางที่จะช่วยเหลือแก้ไขยางใดได้ไดสาหรับเขา ก, กับหมอมรจวงหญิงดาลินนั้น เป็นอันอุ่นใจได้แล้วว่าปลอดภัยแน่มันเป็นคราวเคราะดีสำหรับหลอนอย่างที่สุดในการที่ทั้งขาและหลอนไม่ได้รับอันตรายใดๆในขณะที่กระแสน้ำเชี่ยวกรากซัดพาตัวมาตกอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันระหว่างที่เขายังเงียบงนันเสียงสั่นของหลอนก็เอ่ยต่อมาพี่ใหญ่ชายยันแล้วก็อีกสองคนนั่นไปอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็ไม่รู้โชคร้ายเหลือเกิน เมื่อก่อนที่คุณหญิงจะเดินมาพบผมคุณหญิงรองยิงปืนเรียกดูแล้วหรือยังครับหล่อนก้มศีสันลงถอนใจเฮือกใช่แต่ไม่มีวิแววเลยพ่านใหญ่ยันกายลุกขึ้นยืนเดินกระเพกลงจากจอมปลวกหล่อนกระโดดตามเขาลงมาด้วยทั้งสองกลาดสายตาไปยังภูมิประเทศรอบด้านซึ่งเช่าอุ่มชื้นไปด้วยน้ำแปลกคุณหญิงกับผมยังถูกน้าพัดมาตกอยู่ใกล้ๆกันได้ พวกเราอีกสี่คนก็น่าจะถูกกระแสน้ําพัดมาอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันฉันเป็นห่วงพวกนั้นจนบอกไม่ถูกแล้วล่ะเราจะทํายังไงกันดีหญิงสาร้องออกมาอย่างกรัดกลุ่มจ้องหน้าเขานิ่งฝากทุกสิ่งทุกอย่างในความหวังไว้ให้กับจอมพรานอย่างน้อยที่สุดก็ชั่วขณะแห่งวิกฤตการณ์อันคับขานเช่นนี้ระพินอ่านสายตานั้นออกด้วยความสมเพศเป็นครั้งแรกขอโทษฉันอาจขวัญเสียมากไปหน่อยก็ได้ เหตุการณ์เมื่อคืนนักการหลงพัดกับพักพวกทำให้ประสาทของฉันเสียไปหมดจริงสินะฉันอยู่กับเจ้าป่าแล้วถึงอย่างไรสำหรับฉันเห็นจะปลอดภัยแน่แต่พี่ชายกับเพื่อนของฉันนี่สิจะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้ถ้าเขาพัดไปตกอยู่กับแง่ทรายหรือเกิดคนใดคนหนึ่งก็ยังพออุ่นใจบ้างแต่ถ้าต่างคนต่างแยกกันไปคนละทิศละทางแล้วก็แย่ทีเดียว ถึงจะต่างคนต่างแยกพาดกันไปผมก็ไม่กังวลนักขอให้รู้แน่ว่ายังมีชีวิตปลอดภัยเท่านั้นขณะนี้เราอยู่ที่ไหนจอมพรานสะบัดข้อเท้าให้หายเคตแล้วเดินมาชิดชายตะลิงของลำธารซึ่งขณะ น, นี้น่าจะเรียกได้ว่าแม่น้ำขนาดย่อมๆเพราะปริมาณอันมากมายของน้ำเต็มฝั่งและไหลแรงกรากดารินสืบเท้าตามติดมาเบื้องหลัง ภายหลังจากสำรวจชายฝั่งแนวป่าและสังเกตภูเขาบางลูกเขาก็ตอบเรียบๆว่าตะวันตกเฉียงใต้ของตำแหน่งที่เราตั้งแคมป์เมื่อคืนนี้ครับถ้าเดินล้อชายฝั่งทานนี้ขึ้นไประยะทางประมาณ30กิโลเมตรก็จะถึงตรงที่เราถูกน้ำพัดครั้งแรกแต่ถ้าตัดป่าเป็นเส้นตรงไปก็อยู่ในราว20กิโลเมตรข้ามเขาลูกที่มองเห็นกันอยู่นั่นไปอีกลูกหนึ่งสีหน้าของหญิงสาวดีขึ้นเล็กน้อย หลอนหลงป่าก็จริงแต่ถ้าอยู่ใกล้ระพินภัยวันแล้วเป็นสิ่งที่หล่อนควรอบอุ่นใจได้ความทุกข์กังวลในขณะนี้ไปอยู่ที่ความเป็นห่วงคณะพักประการเดียวเท่านั้นมันไกลไม่ใช่เล่นทีเดียวสําหรับการเดินงมหาคนในป่าโดยระยะทางขนาดนี้แต่เราก็ไม่มีทางเลือกอย่างอื่นเราจะเริ่มต้นกันยังไงระพินตึกตรองอยู่คู่ก็บอกว่า ผมคิดว่าจะลองเดินเรียบชายฝั่งเลาะทวนต้นน้ำขึ้นไปเรื่อยครับจนกว่าจะถึงที่ตั้งแคมป์เชื่อว่าคงจะพบพวกเราในระหว่างทางถึงอย่างไรก็คงจะพัดตกไม่ห่างจากบริเวณ2ฝั่งเท่าใดนักคุณอย่าลืมว่ากระแสน้ำเมื่อคืนนี้มันมายัางกับภูเขาเรากาทีเดียวนะระดับของมันสูงเหนือยอดยางซิอีกพ้นขอบฝั่งไปไหนนพวกเราอาจถูกพัดปลิวพ้นบริเวณทานไปก็ได้ ก็ต้องลองค้นหาตามฝั่งธารดูก่อนละครับเราสองคนยังถูกพัดมาตกอยู่ใกล้ฝั่งธารเลยและสำหรับคุณชายกับคุณชายันนั้นถ้าฟื้อรู้สึกตัวขึ้นมาผมคิดว่าทั้งสองคนนั่นคงจะยึดแนวริมฝั่งธารไว้ก่อนแน่ๆคงไม่เดินเปะป ะ, ตะเตลิดเข้าป่าไปทางไหนหรอกพวกเราพัดกันที่ราธารก็ต้องยึดธารเป็นหลักสมมติว่าเราเดินย้อนทวนกระแสน้าขึ้นไปจนถึงจุดเริ่มต้น แล้วอย่างค้นไม่พบจะทํายังไงกันต่อไปหล่อนตั้งคำถามต่อมาอย่างพร่านใจและผินสุดตัวงลงริมฝั่งวักน้ำขึ้นมาลูบล้างโคลนทรายที่เปรอะเลอะเทอะอยู่ตามใบหน้าและลำตัวออกแล้วก็ตอบอย่างใขค่ควรว่าระยะทางจากที่เราหลงอยู่นี่ขึ้นไปจนถึงตาแหน่งตั้งแคมป์ครั้งแรกมีหมู่บ้านเกรเลียงอยู่หย่อมหนึ่งเรียกว่าหมู่บ้านผาเยิน พางเขาก็ปลดผ้าของมา้าผืนหนึ่งที่ยังคาดติดเอวอยู่ออกมาบิดไร้ความชืน้นแล้วประครบซับหน้าถ้าหาตามริมสองฝั่งทานยังไม่ได้ร่องรอยผมจะไปหาที่หมู่บ้านผาเยิงนั่นขอแรงพวกกะเหลียงให้ช่วยกันออกและดมหาเชื่อว่าจะต้องได้ร่องรอยแน่ๆหล่อนสุดตัวลงนั่งข้างๆเขาอย่างทอดอะไรมองดูกระแสน้ําที่ยังไหลกลากอยู่ด้วยความสยดสยองมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะ เหมือนฝันแทๆ้ๆอยู่ๆน้ํามันก็ไหลกากลงมาราวกับพายุสลาตันอย่างนั้นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ฉันก็ยังไม่อยากเชื่อว่าเท่าที่เราไปเชิญอยู่นี้เป็นความจริงเราฝันร้ายไปหรือเปล่าดาดินน้าพึงออกมาเบาๆเสียงเขาเอี้ยวบิดกายกระดูกรั้นกรอบกแกรบแล้วก็บอกมาว่าน้ําป่ามักจะจู่โจมมาโดยไม่ทันรู้นือ้อรู้ตัวอย่างนี้แหละครับบนเขาใหญ่ต้นทานเป็นแอ่งน้ํากว้างใหญ่ราวกับทะเลสาบ ฝนที่ป่าบนคงจะตกหนักติดกันมาหลายวันแล้วเก็บน้ำในแอ่งไว้จนล้นประกอบกับที่เมื่อคืนนี้มีพายุหนักเข้าอีกหินบางแห่งคงจะถูกพยายุพังทลายทำนกแตกมันก็เลยเทลงมาเหมือนเราเทน้าจากกระบอกผมเคยโดนน้ำป่าเล่นงานมาสองสาครั้งแล้วแต่ไม่รุนแรงเหมือนครั้งนี้เท่าที่ฉันพอจะจำได้เมื่อคือนนี้พอคุณพูดยังไม่ทันจะขาดคาเลย ว่าให้พวกเราย้ายขึ้นมาบนฝั่งยอมเปียกฝนน้ำมันก็มาถึงเสียแล้วนี่เราแทบไม่มีอะไรติดตัวอยู่เลยนอกจากเสื้อผ้าที่ใส่อยู่ไรเฟิลของฉันกับคุณก็หล่นหายไปหมดแล้วเราจะเดินทางติดตามหาพวกนั้นได้ยังไงกลางดงดิบแบบนี้หญิงสาวเอ่ยอย่างปรงอนิจจังอเนตอนาฏในโชคชะตาผมมีมีดติดตัวอยู่เร่มหนึ่งคุณหญิงมีปืนสั้นอีกกระบอกหนึ่ง แค่นี้ก็เหลือที่จะพอเพียงสำหรับการป้องกันตัวยามคับขันที่สุดผมเคยเดินมือเปล่าเสียด้วยซ้ำปืนสั้นกระบอกเดียวมันจะมีประโยชน์อะไรสำหรับป่าแบบนี้หล่อนแย้งอย่างท้อแท้ปลดเข็มขัดออกมานับดูจำนวนกระสุนที่บรรจุอยู่ในรางเข็มขัดพานใหญ่ร่วงกระเป๋าเสือ้อหยิบซิปโป้ประจาตัวออกมาทดลองขีดจุดเปลวไฟจากไรเตอร์อยังทางานได้ดีตามปกติป่าก็ตอบมาเรียบๆว่า ปืนสั้นขนาดจุด3าของคุณหญิงถ้ารู้จักใช้ให้ถูกต้องมันก็เปรียบเหมือนเรามีไรเฟิลขนาดเบาๆอยู่ในมือทีเดียวคุณหญิงเองเป็นนักยิงปืนสั้นชั้นท็อปมาแล้วไม่น่าจะกังวลอะไรเลยเราเดินป่ากันในแบบรักษาตัวรอดเท่านั้นไม่ใช่หมายจะล่าช้างหรือแรดมีปืนสั้นขนาดนี้ติดตัวกระบอกเดียวก็เหลือหลายแล้วน่าขอบคุณสวรรค์ที่คุณหญิงมีเข็มขัดปืนติดเอลอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งเวลานอน ว่าแต่ลูกปืนเหลืออยู่กี่นัดครับหล่อนส่งเข็มขัดพร้อมสองปืนทั้งหมดให้แกเขาฉันยิงเรียกคนไปแล้วสองชุด12นัดเหลืออยู่อีก36นัดกระสุนหัวแข็งแบบเจะโลหะทั้งนั้นพ่านใหญ่ผิวปากหวือออกมาอย่างพอใจเหลือเฟือเกินพอเสียอีกถ้าเราไม่ใช้มันแต่ละนัดไปโดยปล่าประโยชน์เขาส่งเข็มขัดคืนไปให้หล่อนตามเดิม คงดึงแต่ตัวปืนออกจากซองหมุนลูกโม่สำรวจดูกระสุนแล้วเดาะขึ้นลงในฝ่ามือมันเป็นปืนแบบซิงเกิลแอคชั่นของลูกร์ลำกล้องยาวหกนิ้วครึง่งกระบอกกระทัดรัดสวยงามยิ่งด้ามงานสรักลวดลายพราวตาอาบนิกเกิลไว้ขาวเป็นมันวาววับโดยลำกล้องที่ยาวออกไปถึง6นิ้วครึง่งช่วยอำนวยผลการส่งวิถีกระสุนให้มีความเร็วสูงขึ้นครบถ้วนตามอัตราโดยไม่ตกโกน ปืนของหลอนกระบอกนี้เขาเคยส่งกระสุนเข้าเจาะสมองวัวแดงมาแล้วครั้งหนึ่งที่เขาโรนขณะที่วัวลำบากตัวนั้นวิ่งเข้าชาร์จในระยะเผาขนและตัวเจ้าของปืนเองก็เคยได้ใช้มันให้เป็นประโยชน์มาหลายครั้งแล้วสำหรับภาวะฉุกเฉินต่างๆว่าแต่คุณหญิงพอจะมีแรงเดินไหมครับหลอนฝืนยิ้มพอดีกับที่เขาส่งมืออีกข้างหนึ่งมาให้หลอน หล่อนชมเรืองมองดูที่มืออันหยาบกล้านแข็งแรงแล้ววางมือของตนเองลงไปในอุ้งมือนั้นอีกฝ่ายหนึ่งบีบแน่นกระชับเหมือนจะถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างในหัวใจลงไปสู่การบีบนั้นหล่อนบีบตอบแล้วเขาก็ดึงหล่อนให้ลุกขึ้นมายืนเคียงข้างตาต่อตาสบกันนิ่งกระซิบโปรดอย่าทอดแท้ทอดอะไรครับลูกจ้างผู้ซื่อสัตย์คนนี้พร้อมที่จะรับใช้คุณหญิงด้วยชีวิต ร่อนยิ้มโรยๆตอบเขายกมือข้างหนึ่งเสยผมที่ปิวลงมาปลกหน้าคุณคงไม่รู้หรอกว่าขณะที่ฉันเดินเป๋ป่าไปอย่างปราดจากจุดหม้และบังเอิญมาพบคุณนอนสลบอยู่นั้นฉันดีใจเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เพียงไรภาวนาขออย่าให้คุณได้รับอันตรายและฟื้นคืนสติขึ้นโดยเร็วขอโทษอีกครั้งถ้าฉันจะแสดงความอ่อนแอให้คุณเห็นมากไปหน่อย ตรงข้ามตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนใจเด็ดอย่างคุณหญิงมาก่อนเลยมันข้านกับชาติกําเนิดศักสกุลและรูปร่างของคุณหญิงจนคาดไม่ถึงทีเดียวผมยอมรับว่าในครั้งแรกผมประมาทคุณหญิงเกินไปเพิ่งจะมารู้เอาในป่านี้เองดารินยิ้มอีกครั้งแววตาแช่มชื่นขึ้นขอบใจมากคุณเก่งนะรู้จักใช้หลักไซโคได้ถูกต้อง กับสิ่งแวดล้อมที่สุดฉันยอมรับว่าฉันได้กำลังใจจากคุณมากเหลือเกินในสถานการณ์ร้ายครั้งนี้เอาละจะบุกป่าฝ่าน้อย่างไรก็สุดแล้วแต่คุณฉันรับรองว่าจะเป็นผู้ตามที่ดีทุกอย่างแล้วแต่คุณทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ฉันไม่รู้สึกตัวเองมากไปกว่าเด็กเล็กๆสักคนหนึ่งที่จะต้องตกอยู่ในการดูแลของพี่เลี้ยงสําคัญพี่เลี้ยงอย่าใจร้ายก็แล้วกันพี่เลี้ยงคนนี้เคยใจร้ายนักหรือ ก็ไม่น้อยทีเดียวแหละเด็กอย่าดื้อก็แล้วกันแล้วพี่เลี้ยงไม่ใจร้ายหรอกว่าแล้วเขาก็ออกเดินบ่ายหน้าไปทางป่าไผ่ที่ได้ยินเสียงไก่ป่าขันเชื่ออยู่พยักหน้าให้หล่อนเดินตามเคียงข้างไปด้วยสอดสายสายตาไปรอบๆนั่นคุณจะทําอะไรหล่อนหันมากระซิบถามหน้าตื่นเห็นอาการเดินแบบย่องของเขาขนาดที่เลาะลัดแฝงกายไปตามพุ่มไม้ใบหญ้า อาหารเช้าก่อนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กคนนี้ประเดี๋ยวไม่มีแรงเดินถ้าเป็นภาวะปกติหล่อนอยากจะซัดหลังให้ซักตุบแต่สำหรับในขณะนี้ไม่มีกระจิตกระใจจะชวนทะเลาะนอกจากจะชำเลืองมองดูด้วยหางตาคมๆไก่ป่าหรือได้ไก่ก็เอาไก่ได้อะไรก็เอาไอ้นั่นขอให้หนักท้องไว้ก็แล้วกันแต่เอ๊ะ กวางโจรแถวนี้ก็ชุมดีไม่หยอกดูจะหาง่ายกับไก่ป่าอีกพร้อมกับพูดเขาแงนมองขึ้นไปบนยอดต้นกระบากใหญ่ที่มีด่างที่มีข้างดำฝูงหนึ่งเจ็ดแปดตัวพากันนั่งนิ่งจ้องมองลงมาอย่างมนุษย์ทั้งสองหล่อนพ่าซื้อเพราะไม่เข้าใจมาก่อนถามว่าเป็นยังไงกวางโจรแลผินบุยปากขึ้นไปเบื้องบนแทนคาตอบพอเห็นฝูงข้าง หล่อนก็มีสีหน้าพิกลครางอ่อยๆอย่าเลยขอให้เป็นไก่เถอะฉันกินมันไม่สนิทหรอกอย่างน้อยก็นึกว่าเห็นแก่ฉันมีเสียงหัวเราะหึ่หึดังมาจากลาคอปายใต้ข่าที่เริ่มเขียวคลึมพอสบตาคู่ที่จ้องมาอย่างวิงวอนเขาก็ออกเดินต่อฉุดแขนหล่อนมาด้วยทั้งสองเ ล, ลาะลัดไปตามทางด่านเล็กๆซึ่งมีร่องรอยของน้าป่าไหลบ่าผ่านท่วมไปเมื่อคืน พอถึงโคนกอไผ่ใหญ่มุมทางแยกของปลายดาด้านหนึ่งก็เห็นไก่ป่าสองสำตัวกําลังจิกคุยค้ยขุ้ยไายหามแมลงกินง่วนอยู่และผินง้าง น, นกปืนอยู่ยังไม่ทันจะยกขึ้นส่องหญิงสาวก็เหยียบกิ่งไม้แห้งลั่นขึ้นเบาๆไก่ป่าสองสำตัวฝูงนั้นก็พากันกระตากลั่นขึ้นอย่างตกใจแล้วบินปลอหายวับไปกับตาราวกับนกพรานใหญ่จุ๊ปากเบาๆพร้อมกับโครงศีรษะ แต่แววตาประกายขันขันอยู่เช่นเดิมดาลินพึมพำขอโทษมันเปรียวเหลือเกินขนาดลูกกดยาวยังไม่ค่อยได้ตัวลำพังปืนสั้นจะไหวหรือนายพรานหล่อนพูดอ่มแำ ม, มันก็ต้องลองเสี่ยงดูอย่างน้อยก็ดีกว่าเอาก้อนดินไปไล่ปลาอีกฝ่ายหัวเราะป้ายแขนเสื้ออันขาดรุ่งริ่งขึ้นเช็ดเหงื่อบนใบหน้า คับขันถึงขนาดนี้แล้วยังไม่วายที่จะยั่วฉันอีกนะหิวไหมไม่หิวเลยมันมีแต่ความกลุ่มจากป่าโปร่งใกล้ทานน้ำเริ่มจะกลายเป็นป่าลกทึบขึ้นตามลำดับและพินนำเราย่องกลิบค้นหาไก่ป่าไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เขายกปืนขึ้นเลงไก่เจ้ากรรมเหลือบมาเห็นและบินปลอหนีไปทุกทีเพราะระยะที่เห็นเป็นระยะใกล้ ส่วนที่เกาะอยู่ไกลเกินไปเขาก็ไม่กล้าที่จะยิงเพราะเสี่ยงต่อการเสียกระสุนเปล่ามัวแต่คิดจะยิงใกล้ๆอยู่แบบนี้เดินให้ตายก็ไม่มีวันได้ยิงหล่อนบนไกลนักมืออย่างผมก็ยิงไม่ถูกนอนไงครับเกาะอยู่ที่กิ่งตะคร้อนนั่นก็สองตัวแต่มันห่างหรือเกินร่วมๆห้าสิเมตรเห็นจะได้คุณหญิงจะลองดูไหมครับคุณหญิงยิงปืนสั้นได้ดีกว่าผม ดาลินรับปืนมาจากเขาเพ่งตามองดูเป้าหมายที่เห็นรับรั บ, รบล่อๆอยู่ในเงาบังของกิ่งไม้แล้วยกขึ้นเลงด้วยมือที่กุมประคองด้ามปืนไว้ทั้งสองมือหล่อนเลงอยู่เป็นเวลานานมือสั่นระลิกเพราะความอิดโรยเหนื่อยอ่อนโดยมีพรานใหญ่ยืนมองอยู่เงียบๆเงาของอะไรชนิดหนึ่งบังแสงตะวันที่สอดรอดใบไม้อันเป็นจุดสว่างพราวอยู่ในขณะนี้ลงมามันเคลื่อนไหวอ ย, อย่างเช่มช้า จะว่าใบไม้ใหญ่ถูกลมพัดแกว่งก็ไม่ใช่รพินเหลือบสายตาขึ้นไปมองแล้วเขาก็ตะลึงไปในพริบตานั้นคุณหญิงครับอย่าเพิ่งยิงเขาพยายามพูดขึ้นด้วยเสียงเบาเรียบเป็นปกติที่สุดตายังจับเปล่งไปยังกิ่งไม้ครึ้มเหนือศีรษะไม่กระพริบหล่อนลดปืนลงถามว่าทำไมส่งปืนมาให้ผมดาลินส่งปืนให้เขาตามคาสั่ง โดยไม่ได้เฉลียวคิดหรือเข้าใจความหมายใดๆทั้งสิ้นพอรับปืนร่างของหล่อนก็ถูกผลักในพริบตานั้นล้มกระเด็นลงไปนอนกลิ้งพร้อมกับเสียงโฮกสนานที่กึกก้องลงมาจากกิ่งไม้เหนือหัวประสานขึ้นกับเสียงระเบิดของจุด375็หแมกนัมสะเทือนไปทั้งป่าร่างของผานใหญ่ถูกประทะงายหลังลงไปนั่งจ้ำเบ้าอยู่กับพื้นปืนลุดจากมือกระเด็นส่วนร่างสีเหลืองจุดดำพร้อยไปทั้งตัว นอนตัวงอคู้ดิ้นกระเดาแทกถ่ายไปเป็นวงกลมจนกิ่งไม้ใบไม้รอบด้านกระจายหางยาวของมันกวาดแกว่งอยู่ไปมากลางแสกหน้าระหว่างดวงตาที่ลืมค้างทั้งสองเลือดทลักออกมาเป็นริ่มนองแดงฉานเสียงข้างและไก่ป่าในดงนั้นแตกตื่นเกลียวกลาวไปหมดทั้งป่าแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็สงบเงียบเชียบตรงตามเดิมพร้อมกับอาการผงะไว้ตัวเป็นครั้งสุดท้ายของเจ้าเสือดาวตัวนั้น ระหว่างดาดินผู้ยังหมอบกระแตอยู่ริมพุ่มไม้และระพินผู้นั่งทางขาจ้ำเบ้าอยู่ในอาการเดิมทั้งสองฝ่ายกระพริบตาปริบๆมองดูหน้ากันเองโดยมีซากเจ้าป่านอนสงบนิ่งขั้นกลางหล่อนเป็นฝ่ายทะหลันยืนขึ้นก่อนเก็บปืนแล้วก็ตรงไปฉุดเขาให้ลุกขึ้นเป็นอะไรหรือเปล่าพรานใหญ่เป่าลมออกจากปาก ตายังจับนิ่งอยู่ที่ซากเสือร้ายแล้วชี้ให้ดูที่หัวไหลแทนคําตอบตําแหน่งนั้นเสื้อเดินป่าผ้าหนาของเขาถูกกระชากขาดออกไปเป็นชิ้นเท่าฝ่ามือและในขณะนี้ยังคาติดอยู่ที่ปากของไอ้ดาวมันขยย่ำกรงเขี้ยวพาดเป้าหมายเป็นนิดเดียวหาไม่เช่นนั้นไหบริเวณนั้นของเขามีหวังแหลกยับเสร็จกันไก่เกยไม่ได้กินเขาบน่นอุบอิบในลาคอแล้วยักไหล ดาดินเข้ามาพิจารณาดูบริเวณที่เสื้อขาดของเขาและถอนใจอย่างโล่งอกเมื่อไม่เห็นว่ามีบาดแผลเช่นไรคุณเห็นมันตอนไหนกันนี่ตอนที่คุณหญิงตั้งอกตั้งใจจะยิงไก่นั่นแหละครับโชคดีเหลือเกินที่ใบไม้ข้างบนโปร่งพอให้แสงแดดลอดลงมาได้บ้างผมเห็นเงาของมันบังแสงตะวันพอเงยขึ้นไปก็เห็นมันแยกเขี้ยวเหลืองอ๋อยย่องกลิบลงมาห่างจากเราสามสี่วาเท่านั้น ผมไม่กล้าให้คุณหญิงรู้สึกตัวตอนนั้นตกใจมากไหมครับหลอนหัวเราะเสียงปลายักไหลบ้างมันชินชินเสียแล้วกับเหตุการณ์หวุดหวิดต่อชีวิตเช่นนี้มือคุณฉมังเหลือเกินนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับการยิงสัตว์ถ้ากระสุนนัดนี้ไม่เจาะกลางสมองทั้งคุณและฉันเห็นจัะเละเทะไปทั้งตัวฉันห่วงแต่ไอ้โครงตามพื้นดินเท่านั้นลืมนึกไปถึงไอ้ดาวหรือไอ้ดำบนต้นไม้ไป เรากำลังอับจนแบบนี้ก็ยังอุตส่าห์มันเจิมมันเข้าจนได้ป่ามีอาถานแปลกอยู่อย่างหนึ่งครับถ้าเราเที่ยวกันอยู่ตามปกติมันมักจะไม่เกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นแต่ถ้ายามใดเราเกิดพลาดพลาดจากพวกพ้องหรือหลงป่าขึ้นเหตุร้ายมันก็มักจะซ้าเติมเสมอโชคดีนิดตอนที่เราหมดสติกันอยู่เสือมันไม่ย่องมาคาบ ทั้งสองพระเลี้ยงออกจากบริเวณที่ซ่าของไอ้ัยร้ายนอนตายอยู่เดินค้นหาไก่ป่าต่อไปคราวนี้ดาลินเงยมองต่ำกิ่งไม้เบื้องสูงอยู่ตลอดเวลายังหวาดหวาดรพินส่งปืนสั้นคืนไปให้หล่อนถือไว้แต่หญิงสาวสั่นศีสะเขาจึงกระซิบคุณหญิงถือไว้ดีกว่าครับเพราะอาหารเช้าของเราต้องอาศัยมือของคุณหญิงคุณเป็นคนนำทางเป็นพานคุ้มกันด้วย เรามีปืนอยู่เพียงกระบอกเดียวเพราะฉะนั้นมันควรจะอยู่ที่คุณเกิดฉุกเฉินอะไรขึ้นมาอีกฉันคงไม่สามารถรับสถานการณ์ร้ายได้ดีเท่าคุณจอมพรานยิ้มน้อยๆชำเลืองดูใบหน้างามที่เต็มไปด้วยริ้วรอยของความกัดกรุมกังวลและขมุกขอมอมนั้นขเขาเ้าใจดีว่าหลอนปารถนาความคุ้มครองป้องปกป้อ ง, อ, ง, อ, งอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกในยามวิกฤตการเช่นนี้ดูแทบจะเป็นคนละคนกับดารินรวราิศ ผู้ที่เคยเห็นณสถานีกักสัตว์ของนายอัมพลแน่ระยามนี้หล่อนเต็มไปด้วยความว้าเวอย่างที่สุดไหนจะวิตกเป็นทุกข์ถึงพี่ชายได้เพื่อนซึ่งป่า น, นี้ไม่ทราบว่าเป็นตายร้ายดีอยู่เช่นไรไหนจะวันถึงอนาคตตนเองข้างหน้าอันยังเดาไม่ถูกว่ามันจะเรวร้ายลงไปเพียงไหนท่ามกลางป่าลึกที่แวดล้อมไปด้วยพยานอันตรายรอบด้านชีวิตและความปลอดภัยของหล่อนย่อมฝากไว้กับพรานนำทางเพียงคนเดียวเท่านั้น จะอย่างไรก็ตามจิตใจและสติสัมปชัญญะของร่อนก็ยังมั่นคงดีเสียกว่าอกสัาศอกบางคนที่เขาเคยพบเห็นมาเสียอีกในภาวะเท่าที่ร่อนเผชิญอยู่นี้ผู้ชายแท้ๆก็ยังหมดเรี่ยวหมดแรงสุดปลงนั่งทอดอะไรต่อชีวิตบางคนถึงกับคลุ้มคลั่งเสียสติไปเลยอำนาจของป่ามันมีอิทธิพลร้ายกาศนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาหลง เมื่อกระสุนปืนได้ระเบิดขึ้นเสียแล้วเช่นนี้ป่า ก, ก็กระเจิงไม่มีสัตว์ใดปรากฏให้เห็นนอกจากพวกนกเล็กๆทั้งสองเดินกันไปตามทางด่านเล็กๆอันวกวนระหว่างแมกไม้หนาทึบรอบด้านอันเป็นเวลาร่วมชั่วโมงจึงพบไก่ป่าอีกฝูงหนึ่งกำลังคุยเขียอยู่ที่จอมปลวกใต้ซุ้มหวายใกล้ๆแองน้าพุระพินส ก, กิดให้นายจ้างสาวดูพร้อมกับส่งปืนให้เงียบๆระยะมันห่างประมาณ30เมตร โดยมีซุ้มเถาวันทึบแทนบางไพรอยู่เบื้องหน้าหล่อนบุ้ยใบ้เกี่ยงให้เขายิงแต่รพินสันศีรษะใบ้บอกว่ากลัวจะผิดหล่อนจึงยกขึ้นเลงอย่างประนีดทั้งสองมืออีกครั้งแล้วลั่นไกลออกไปภายหลังที่เลงอยู่อึดใจใหญ่พร้อมๆกับเสียงปืนจ่าฝูงตัวพ่วงพีที่สุดดิ้นเป็นวงกลมอยู่กับพื้นแล้วฟุบแผ่ปีกกองนิ่งในขณะที่ลูกฝูงอีกสามสี่ตัวหายวับเข้าไปในพงรก ทั้งสองสบตากันแวบหนึ่งโดยไม่ได้พูดอะไรพรานใหญ่ยิ้มแล้วสองสานาทีหลังจากนั้นเขาก็จัดการก่อไฟย่างไก่ขึ้นตรงแองน้ำผุแห่งนั้นรอนกินอาหารจำเป็นมื้อนั้นอย่างสงบโดยไม่ปิดปากบนคำใดทั้งสิ้นเพราะรับรู้ต่อสภาพของความจริงมันถูกย่างพอให้สุกเท่านั้นไม่มีรสชาติใดๆทั้งสิ้นเพราะขาดแม้กระทั่งเกลือแต่มันก็ทาให้กระเพาะที่หิวโหยอิ่มและเกิดพลังงานได้ เขามองดูหล่อนนั่งแทะกระดูกไก่อย่างเวทนาแล้วตาก็พบกันอีกครั้งอย่างบังเอิญหล่อนจ้องเหมือนจะค้นหาก็าพบแววอ่อนโยนปรานีเป็นครั้งแรกจากดวงตากล้าวสีเหล็กคู่นั้นผมสงสารคุณหญิงจังไม่ควรจะมาลำบากอย่างนี้เลยเสียงนั้นพึมพำขึ้นแผ่วเบาแม้มันจะเป็นประโยคุึ้นๆสั้นๆมันก็ออกมาจากความรู้สึกแท้จริงและหล่อนก็ตระหนัก ไม่คิดสมน้ำหน้าฉันหรอกหรือในพรานถ้าจะคิดสมน้ำหน้าก็คงเป็นเวลาอื่นครับไม่ใช่ขณะนี้ขอบใจที่บอกตรงๆหล่อนหัวรเราะเบาๆ เ, เช็ดมือทั้งสองลงกับขากางเกงอันขาดกระลุ่งกระลิงเห็นผิวขาวระเมียดวับแวมบางส่วนแต่อย่าเป็นห่วงเลยเมื่อตั้งใจจะออกป่าในครั้งนี้ฉันเตรียมใจที่จ ะ, ะเผชิญกับทุกสถานการณ์อยู่แล้ว ไม่ว่ามันจะเลวร้ายสักขนาดไหนก็น่าขอบใจเหตุการณ์เหมือนกันที่มันค่อยๆสอนให้ฉันรู้จากสภาพของความลำบากยากแค้นขึ้นเป็นลาดับชีวิตคนเกิดมาชาติหนึ่งจะสมบูรณ์ได้ก็แต่เมื่อได้รู้รสชาติของความสุขสบายที่สุดเท่าๆกับยากแค้นทรมานที่สุดฉันเคยชินกับอย่างแรกแล้วขณะนี้กำลังจะเรียนรู้กับอย่างหลังและเรียนมันด้วยความเต็มใจทีเดียว คุณหญิงเป็นคนมีอุดมคติที่แปลกมากนะครับตอนที่พบกันครั้งแรกผมเข้าใจผิดหมดคุณเข้าใจฉันยังไงตอนนั้นผู้หญิงสวยในตระกูลสูงที่พกเอาความเย่อหยิ่งไว้เต็มตัวอันเป็นธรรมดาสามัญพื้นๆทั่วไปหยิบยง่งสำอางโฉมรู้เท่าไม่ถึงการแต่ยังอวดดีหล่อนยักไหล่ยิ้มนิดๆแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะเป็นนักกีฬา และนักระจญภัยเยี่ยมยอดผิดธรรมชาติของผู้หญิงทรหดเข้มแข็งเกินเชื่อคุณจะไม่ถามฉันบ้างหรือว่าเห็นคุณครั้งแรกฉันคิดยังไงก็พอจะเดาถูกบ้างแต่ให้รู้ไว้จากปากก็ยิ่งดีฉันคิดว่าหล่อนคว้างกระดูกไก่เข้าไปในกองไฟคัดปอกกระสุนที่ยิงออกไปแล้วสองนัดทิ้งบรรจุใหม่เข้าแทนที่เพื่อให้เต็มอัตราตามเดิม คุณเป็นคนบาเบเรียนที่สุดใจดำอมหิตหยาบคายไม่ให้เกียรติแม้กระทั่งผู้หญิงแล้วก็ไม่น่าไว้ใจแม้ถูกเป๊ะเลยอีกฝ่ายรับหน้าตาเฉยดารินทิ้งหางตา ต, าตาวัดโฉบไปหน้าเขาในลักษณะเหมือนค้อนความจริงมันอาจเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่สำหรับเดี๋ยวนี้ฉันกลับคิดไปอีกอย่างหนึ่งคิดยังไง คุณเป็นแมนเต็มตัวเมื่อถึงเวลาจำเป็นแต่เวลาชนิดนั้นรู้สึกว่าจะมีน้อยมากบางทีลักษณะอาการต่างๆของคุณเหล่านั้นมันอาจเป็นเพราะคุณไม่ชอบหน้าฉันก็ได้ถึงได้แสดงออกเขาไม่ตอบเช่นไรควักกระเป๋าเสื้อหยิบบุหรี่ที่บรรจุอยู่ในซองพลาสติกกันน้ำขึ้นมาเกล็ดใส่ริมฝีปากตัวหนึ่งแล้วโยนทั้งสองข้ามกองไฟไปให้รอนดาดินรับไว้หยิบขึ้นมาพิจารณาดูอย่างแปลกใจถามว่า เอ๊ะลอยคอไ่ในน้ำในระยะทางเป็นสิิบกิโลเมตรคุณยังมีบุหรี่แห้งพอที่จะสูบได้อยู่อีกหรือของฉันเปียกยุ่ยระเธอะเต็มกระเป๋าเสื้อหมดไม่เหลือให้สูบได้สักตัวเวลาเดินป่าผมใส่บุหรี่ไว้ในซองพลาสติกกันน้ำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากความเคยชินอยู่บ่อยๆสอนผมให้ต้องทำแบบนี้เราอยู่ในป่าไม่ได้อยู่ในเมืองบางขณะอาจถูกฝนบางขณะลอยคอข้ามน้า หรืออย่างไม่มีอะไรเลยเวลาเดินเหงื่อโชคเต็มตัวบุหรี่ก็ยังเปียกชื้นหมดถ้าหาที่ใส่ปลอดภัยให้กับมันได้เราก็จะมีมันสูบอยู่เสมอจนกว่ามันจะหมดไปเองไม่ใช่เปียกน้ําเสียเปล่าย่างของคุณหญิงหล่อนเลิกคิ้วขึ้นอย่างทึ่งๆึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเรียนรู้ทั้งนั้นสำหรับหล่อนเกี่ยวกับเรื่องในป่าทั้งสองจุดสูบคนระมวลเสื้อผ้าที่เปียกชื้นเริ่มจะแห้งหมาดขึ้นบ้างแล้ว เพราะความอ้าวของอากาศยามสายและไอตัวรพีนเดินไปตัดกระบอกไผ่จั ก, กใรใกล้ๆเอาเถาวันร้อยสำหรับสะพายแล้วตักน้ำใสจนเต็มแทนกระติกน้ำระหว่างทางหล่อนมองดูเยาเงียบๆอดที่จะนึกในใจไม่ได้ว่าคนคนนี้ช่างคล่องแคล่วชำนาญไปเสียหมดทุกอย่างในอาณาจากักรไผ่เถื่อนวิธีตัดกระบอกไม้ไผ่ของเขาก็คือตัดให้ติดข้อไว้ทั้งสองด้าน ข้อด้านบนเจาะไว้เป็นรูโตขนาดเท่าปากขวดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำกระชอกหกในเวลาเดินแกว่งเป็นใจร่อนลองคงจะตัดข้อบนออกทิ้งเสียปล่อยให้กระบอกไม่ไผ่เป็นท่อกว้างสำหรับลำของมันแบบเดียวกับกระบอกน้ำตาลที่แขวนไว้รองรับน้ำหวานจากงวงตาลหรืองวงมะพร้าวที่พวกชนบททำกันซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเวลาแกว่งมันต้องกระฉอกออกหมดเป็นแน่